ประสบคามคําที่ทแสอนอย่างเดียวจิตใจอวงในใจจดจจิตในอจเลยรับความสงบสบายแล้วปล่อยไปตามเรื่องนั่นหนดจิตดียวนั้นมันจะจาได้และไม่ได้เป็นเรื่องของความจำเราของจิตของเราสงบจิตของเราสบายจนพอ ธรรมะสองพุทธเจ้าเป็นเรื่องพากที่เละออกจากใจไม่มีอะไรที่จะดีที่สเท่เากันกับธรรมาของพุทธเทาาจ้าการกำจัดที่เละ น, นักประบัติปฏิบัติจะเป็นคั้นพิษหรือนักบวชที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติเพื่อจะกำจัดที่เละคือความเต่าหมองของใจ ถ้าใคมาทำภารณาที the ่อื่นยิงเป็นนักบวชก็ยิงเป็นอย่างสำคัญเพราะนักบวชนั้นหน้าที่ของนักบวชโดยส่วนใหญ่บวชเพื่อแก้ไถปรับปรุงจิตใจตลอดถึงตายราชาของตัวเพรศีลก็บงชัดอ่แล้วในารคาจัดความชั่วหยากหยาคือด่านตายด่านราชาอ่ บวชมาในรักษาก า, ายวาจาของตัวก็เป็นพระในได้พระสมุทรอยู่กับศีลขาดศีลแล้วก็ขาดพระแต่พระดีมดเป็นพระทางใจจะบวชออกจากอุปชาอาจารย์หรือจะไม่บวชเป็นคหิสตธรรมดาก็เป็นพระได้มีหมายถึง พระทางใจพระวิ ม, าามุตติพระสมุตติตองบวชมีผปษาอาจารย์มีคณะสแล้วก็ตั้งแน่ศึกษาพระธรรมดินในรักษากายวาจาใจของตนงดเยีนยขอ้อที่สันห์้ามทำตามข้อที่สันห์อนุญาตในอย่างนั้นก็เป็นพระสมุติในด้น่งเพราะทำเสื่วนเสีย ทาศีลไปส่วนเอาอาหารคือขาดจากที่สุกไ ด, ได้เดียวกั น, นต้องรวมใายลาจากส่วนใจคิดคุดเรื่องของธรรมในคิดเรื่องของศีลธรรมเปนเรื่องของละเอียดม า, ากกว่าเรื่องของศีลธรรมนั้นทุกทา่าน ป, ปฏิบัติได้ธรรมละเอียดของธรรมนั่นแหละความละใจของตัวให้คนท้า จากสมมติตัวนี้มดคนเดียวถ้าสมมติบวดง่ายทำง่ายแต่ถ้ามือมัทํายากเพราะเหตุใดเพราะใจของพวกเราท่านคอยจิตสมมติคอยจดอยิดที่เลตถ้าทำตามเรื่องของพิเลตมันง่ายมันสบายไม่มีอะไรหุนไล่ขัดขอ้อเพราะใจมันชอบอยู่แล้วยินดีอยู่แล้ว เราจะทำตามเดือนท้องคำมั่นขัดกับี่เลสขัดกับใจตัวเองเพราะนั้นจึงไ ด, ด้บังคับบัญชา <c oughs> ตายวาจาใจท้องตัวเข่าฮะอัดฮะทำถ้าเอาทำสามาัยฮะเราเรามีที่เลืออกมาอยากจะทาคิดผุดคิดคิดชั่วไปต่างๆทำเพื่อ น, น้อง <c oughs> ใจของเราเข่าไปฮะทำ แต่ เ, เรานนอมจิตใจของเราต่อหาธรรมใจของเราเป็นทํามใจของเราเยือเยดเย็นเกวยอาจารย์มีสติกำกับรักษามีปัญญาเนี่ยสอนตัวเองสติในซอยทิ้งไปทุกระยะเวลาแห่ระลึกมีสติประจาตัวอยู่เสมอระลึกนึกอยู่ด้วยสติ มีสัญญาแต่เราเป็นสมณนนะคือจำได้อยู่ทุกการทุกเวลาจะทำจะพูดระคิดอะไรก็ให้สังวรรักษาให้พิจารณาตัวของตัวว่าเดี๋ยวนี้เกิดของเราเป็นเกิดขึ้นเราเกิดประชาคนที่เหลืห่ยมใสในพระพุทธศาสนาม่ว่าจะพูดใหญ่เด็ดเล็ดเด่นเขาก็รู้จักก็เป็นชัก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 เพราะเพียงใดที่จะนำมาถึงความยายหายต่อตัวเองและพระพุทธศาสนาส่องสังวรรักษาเพื่อความเป็นรฝีมงคลเก่ดเป็นท้องคนคนี่ตท้องรวมระวังรักษาศีนของตัวมีสมณสัญญาในทำชั่วผูดชั่วต่างๆถึงคนนั้นจิตใจข้องท่านว่าไม่สล้าสึวนใจสู่อีมุิที่สุด ของพระพุทธศาสนาต่อตามโดยอำนาจศีลที่รักษามีสศรษีปัญญางานสอนตัวอยู่เส ม, มองานงานตาคนเห็นเกวดศรัทธาอยากกาวว่าทำบุญเพราะท่านมีการทั้งรวมระวังท่านในศีลของท่านบารนิสุทธิ์ที่ทะเยใหนึ่งงานในบดืนสลคือศีลศีลจะจริจริงงานเป็นสิ่งที่ประบับ ของนักบวชประ่าะนักบวชเ้าเลหัดต่อตามานิศีนประดับตัวของชายเท่าจะคนเด็กหนุ่มสาวหรือคนแก่คนนั้นก็เป็นที่นิยมชมชอบของคนดีถั่วไปเพราะคน่มีศีนเป็นเคื่องประดับจะไปที่ไหนก็เป็นที่ไรว้เนื้อช่่ยใจของคนอื่นเราทำผิดพูดผิด สถานที่ใดในทําความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นถึงจนเป็นเรืเ่องสําคัญที่ทุกท่านควรทพิจะะารณาเฉพาะยัยเยี่ยงนักบวชตัวต้องรักษาอย่างสงบปวดขันรักษาเสมอตัดชีวิตไม่ยิ่งกว่างชีวิตต้องตัวถ้าเขาบังคับให้ทําชั่วตายเสียดีกว่าแต่อยไปทําชั่วเพราะกรรมชั่วที่เราทําไป เราตายไปแล้วถ้าเราไม่ไปทํำตามชั่วแบบนั้นจะไม่แผละเาผาแต่เราได้รับเพราะตามต่างๆในชั่วครั้งหนึ่งหากเราไป ท, ทําเข้าเสียช่องเราอย่างอยู่ก่อผู้รู้ทั่วไปจะตำหนิว่าเป็นคนชั่วคนเสียอย่างนั้นอย่างนี้เัว่องของตัวเองคิดขึ้นก็เดือดร้อนแผละเผาว่าเราทําไมได้ทําแบบนั้นไต่อ ง, งควรเลยเสียชองเราเป็นเสียช่องสมณนะ คนจะต้องววนรักษาเราเห็นตัวที่เหนือปัญหาเราเสือเลยลืมหลงเสดทจของตัวยจึงไปทำชั่วคิดชั่วต่างๆมีสติที่มีิจรณาตัวสอนตัวอยู่อย่างนั้นขันจินรามีการทำชั่วทั้งที่รับและที่แ้่ผู้ที่เป็นสมณนะผู้ที่เป็นพระว่าเสด็เราเสดจเสรจธรรมดาระราชา ก็ยังสาบว่าเราธรรมาดาสามัญชนโดยส่วนใหญ่ใ้รล่ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมาสาบม า, าหนอกจากเราไปสาบไปว่าเขาเขาจ ะ, จ, ะจะยกมือตอบทถานั้นมีพระที่มีศีลบริสุดมีจิตเป็นอักเป็นธรรมไรเศษไรเศ ษ, เศษยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปผู้ที่เรียมสายพระพุทธศาสนา คารพพระแล้ยินดียกย่องกันแลน้วเหน้าที่ของพระเาษีของสมณนะยังเป็นฤาษีเราเสริเฤาษยิ่งกว่าเาษีขั่วไปววใใเราควรสอนใจของเราให้ตั้งวรระวังในสีน้องตัวอย่าไปทําชั่วผูดชั่วที่ชั่วต่างๆสมณนะ เขยอมเสียสละทุกอย่างเขามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่มีสิทธิ์ที่จะมีที่ดินหรือมีบ้านมีเรียนอะไรกับเขาพวกสึ่งทุกอย่างเราเสียสละมาทางนั้นภายนอกเราเสียสละมาได้แต่เสียสละภายในอีกคือเสียสละการคิดปรุงอารมณ์สัญญาต่างๆที่เราเคย ติดช่องปวคันให้หมดใจจากใจทำตัวให้สบายอยู่ง่ายสะดวกยิ่งจะเป็นพระที่หน้าสาวบ้าเป็นพระที่หน้าบูชามายวามว่าเร า, วาบวชมาถึงพระพุทธศาสน า, าถึงศีลถึงธรรมของตัวได้อะไรมาก็กวบฉันได้อยู่สัาน ท, ทีไ่ได้ก็สะดวกสบายไม่ต้องคิดเดี่ยวข่องปับปูงเรื่อง ทงังนอกจับปุงจิตใจของตัวเองให้ละชั่วบำเพ็ญดีให้มีอัตมีครรมมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความรู้ความเห็นแจ่มใสชัดเจนวิเลิดปัญหาทีดเทย น, น, นำพาจิตใจให้ปรุงปรงต่างๆตกำจัดออกไปเลือกอำ น, นาจของศีลของธรรมของสติของปัญญารักษาจิตของตัว อยู่สม่ำเสมอในคิดไปในทางชั่วพยายามบังคับใจให้ต่ทำความเพียนโม่งมัน่นทินิ้นาาพิจารณาธาตุขันให้รู้ให้เข้าใจตาม็นจริงของมันว่าธาตุขันอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรความยึดถือของเจ้าว่าเราว่าเขา มันเป็นของจริงหรือยังจึงไปยึดถือมันที่เจน่าให้รู้ให้ผ่อใจให้ขาดขันท้องตัวมีสติกาหนดตายอยู่สม่ําเส ม, สมอเหัวใายาโนปัสนาสติปัฏฐานละห้ยคิดคิดจงไปเรื่องนอกเมื่อเราเราเกี่ยวข้องเรื่องนอกนี่แต่ทาการงานคือความเพียนภายในเอาใจคิดอ่านเรื่อง กายทั้งตัวให้ขวดถือทุกสิ่งทุกส่วนว่ากายอันนี้มีอะไรผสมกันอยู่ที่เรียกว่ากายและกายอันนี้เขามีความหมายแั้ไหนมีอะไรที่เขารับรองว่าเป็นของทั้งตัวที่นีิที่เจ้านายเข่าใจที่เจ้านายแขวนใส่ที่เจ้านายขับเคลื่อนเหนือจิตกำหนดทีเจ้านาอยู่บ่อยความรู้ความเห็นทของจิต <c oughs> ที่เคยจิตข้องยินดีต่างๆจะคอยถอดถอนชุดเพราะเหตุใดเพราะการที่เจรณาภายในสามารถที่สะชำระที่เหลือปัญหาที่ไปจิตข้องหมองใจยินดีในรูปต่างๆ ต, ต, ตัวใจยยึดถือพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีเคยสอนมาเคยเจรนามาได้รับประโยชน์ด้ยคามผู้เห็นแฉมไส ชัดเจนกว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรสําคัญไปยิ่งกว่าจิตในจิตอันเดียวแ่านั้นลุ่มหลงเมื่อมนุนอนทการยิ่งกว่าสิ่นทั่วไปจะหากล่องทิรันตมาส่องดูว่าจิตมันชุดมันปรุงอะไรก็ไม่สามารถที่จะส่องดูไดน้นอกจากสตินอกจากปัญญาของตัวคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเร า, า, ราที่นี้พิจารณาให้ทั่วให้ถึงให้เข้าใจ เมื่อจิตเข้าใจยอมจำนวนเชื่อมั่นในอัจในิยธรรมของท่านผู้รู้คือพระพุทธเจ้ า, จาสอนเอาไว้ใจจฉะทจความตำ น, นัดเบื่อหน่ายไม่ยินดีจิดใจเถิดเทินตามพัญยารมณ์ต่างๆเป็นเรื่องของจิตที่เป็นคิดเป็นใยแก่ตัวทำให้รักให้ชอบให้โกรธให้โหลภให้หลงต่างๆ ทีไ่ไรายังไม่เห็นไม้มันอย่างนั้นอย่างนี้เนื่องาาอารมณ์เมื่อมาเห็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรสิ่งเหล่านั้นเราไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนั้นเกิดมาแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้ตายไปแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปพระพุทธเจ้ารู้เข้าใจแทบเปลนเห็นประจักษ์อย่างนั้น่านจึงเหนือสมุเหนือสมุ แม่ยอมอยู่ยอมติดในพบในแช่หากหยุดรู้เห็นเด่นประจกักมันเป็นอย่างนั้นเวลาใครทั้งหมดละถอนถ้าจา ม, มาด้วยสัยญาละถอนในใจถ้าเห็นประจกักด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการปฏิบับบด้วยความเพียรทุ่มส่มันละมันถอนมันปล่อยมันวางสิงต่างๆที่เราเคยติดข้องเราเควงกําหนดให้รู้ให้เห็นในห้ต่ใอใจชัดเจน ในตัวเองเราจะไปเรียนมากตำหลับตาราแบบแขนดูแต่ตัวของตัวเท่านั้นมันทั่วถึงไปหมดเพราะเหตุใดเพราะโลกกดหลงมันมีอยู่ในใจการละจึงละอยู่ที่ตัวของตัวเนตต้อะไปจดใจจามาจากตำหลับตำลาที่นี้พี่เจริญนารู้เข้าใจในตัวคนเดียวก็ทั่วถึงทั้งโลก เพราะคนสัตว์มันเหมือนกันมันไม่มีอะไรผีดิดแตกแตต่างกันสมมติมันมากแต่จิตมารู้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เป็นรูปมันเหมือนกันหมดเป็นนามมันเหมือนกันหมดรูปประทำนามธทําเหมือนกันหมดไม่มีอะไรทิ่แปลแตกต่างกันเหมือนมันเป็นอย่างนั้นจะไปสองสายที่ไหนในใจในใจทองตัวที่เจนนาอยู่นี้นต้องจะวอกวน เก่ยวข้งเรื่องอืน่นเราพิจารณาอยู่นี้แหละทำสติของเราทำปัญญาของเราฝนกว้างในกายเรียนาจิตธรรมของตัวอยู่สม่มําเสมอก่อเป็นอันเรียนแท้ใจที่ดุในตัวจบในการคิดพิจารณาจบในการละการถอนจะอานไม่ได้สักตัวกว่านตามจิตใจของท่านคนนั้นจะเบิกบานผ่องใสจิตใจของท่านคนนั้นจะไม่มีอะไรตั้งหัวลต่อไป หมดเรื่องยุ่งเรื่องเยอะต่างต่างเพราะการขาดเปลี่ยนพยายามศึกษาภายใหมนในต่อไปเกี่ยวของตามตำรับตำราเท่าว่าอย่างนั้นเท่าว่าอย่างนี้ไปหลงไปตามเมื่อเราคน้นในตัวของตัวเพียงคนเดียวรู้กรจัดชัดเจนแล้วคนอื่นสัตว์อื่นทั่วโลกมันเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรผี่ผิดแตกแตกต่างกันไป ขอให้ใจชัดเจนในตัวของตัวเราควรคือที่นิ้พิจารณาละชั่วบําเพ็ญดีพิจารณาเศิษฐีปัฐานอยู่ในตัวอย่างนั้นเป็นคนสบายทำไมวุ่นวายอย่างนอกถ้าเป็นพระก็เป็นพระห น, น้าสาบนาว่าถึงจิตใจของท่านยังไม่พ้นไฟจากโลกจากสงสารท่านก็มีการงานคือความเพียรที่นิ้พิจารณาอยู่ติดต่อ มันมีเวลาวอกออกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอืน่นคำองค์นั้นหน่ากราบหน้าว่าไหวน่าบูชายิ่งละยิ่งถอนวิเลตัญหาออกจากใจความเห็นความเป็นของตัวเองพอทราบว่าเดี๋ยวนี้หยุดใจใน่อสิมีโอกาสเวลาที่จะไปเกี่ยวข้องอารมณ์ทันยาภายนอกมูแต่เรือ่องข้างฐานภายในตรงขึ้นเมื่อใดชาติถนัะ ด้วยสติทีนี่พิจารณอยู่ทุกระยะทุ ก, ะะทกะะเวลาไม่ได้ไปเกี่ย ว, ยวข้องออกไปทางนอกเหมือนก่อนเพราะสติเอาเร็วปัญญาเราทันกับจิตของตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นเรื่องชั่วเรื่องเสียต่างๆซึ่งเราเคยทําเคยพูดใคยคิดเมื่อจิตมันสัมผัสกับธรรมมันจ่อยไปเองวางไปเองทํางานอยู่นี้จะไปยุ่งอยู่นู้นมันไม่ได้ เราเป็นพระเราเป็นเนเราเป็นนักปฏิบัติสอปฏิบัติตัวข้องตัวอย่าไปคิดทางนอกจึ่งจะได้ชื่อว่าเป็นพระเป็นเนรแท้แต่เป็นพระเป็นเนรปลอมเป็นนักปฏิบัติแท้แต่เป็นนักปฏิบัติปลอมมนอย่างนั้นซ้อมเป็นพระเป็นเนรแต่เพียงเทศเป็นนักปฏิบัติแตเพียงเท็จทำท่าจินตญา เข่วัดเขาวาจำศีลภาวนาเจียจิตใจฟู้งฟูงไปในเรื่องที่เหลือกันหาไม่มีสติรักษาในมีปัญญาแนะสอนตัวเองคนแบบนั้นจะไปฏิบัติอยู่สถานที่ใดไม่ว่าจะคนอื่นตัวของตัวเองก็เห็นโทษทำหนึ่งทำท่าอย่างนั้นทําท่าอย่างนี้ทําท่าไปเถอะเป็นไปในน้าส่งรักษาใจของตัวหน่วยสติสอนใจของตัวโดยปัญญาธรรมะเท่านั้นเป็นเพียงแก้ไข ใจให้ผ่องใสใจให้สงบเมื่อมีใจผ่องใสใจ ส, สงบซึ่งเราไม่เคยรู้เคยเห็นใคเป็นมาก่อนแต่เรามาปฏิบัติเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติหมั่นกำหนดอยู่สมันเสมอในอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสอนจิตใจแต่ก่อนเคยวุ่นวายชัดข้่องเดียวนี้เกิดสงบลงรวมของจิต เงียบสงัดไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องวุ่นวายตาเห็นรูปก็ไม่เป็นทิษเป็นไัยหูได้ยินเสียงก็ไม่มีเรื่องอะไรมาลบปวนจิตใจของตัวพอเราพิจารณาทำไม่เกี่ยวข้องทําททเป็นคนตาบอดหูหวกไปเทียก่อนเบื้องต้นที่จะให้จิตใสงบจิตสบายพอได้กําลังด้วยสติด้วยปัญญาในจิต ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตรวมรวมเป็นช้างเป็นชาวที่เราฝึกหัดปฏิบัติตัวพร้อมเข็นมาอยากจะพิจรารณาอะไรพิจรารณไปได้ลืมได้ตาพิจรารณาสิ่งต่งางๆแทนที่จะไปลุ่มหลงติดข้องอย่างแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นปรับเกิดสลดตั้งเล็ดเกิดปติเกิดปัญญาเกิดวิชาวิมุตต์เพราความรู้ความเห็น ในจิ่ง น, นั้นสอนใจของเราพระพุทธเจ้าท่านนี้ครูมีอาจารย์ท่านก่ออาศัยการพิจรารณาในหลักธรรมซึ่ง ม, มีใครสอนมาก่อนก่อตามกามรพิจารณาจะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธศาสนาอะไรก่อตามการพิจารณาถูกมันถูกด้ยวยกันนี่ท่านตอนนั้นท่านก็ยังไม่มีใครมาแนะสอนท่านไม่มีศาสนาอะไรใน ม, มีครูอาจารย์องค์ใด ทีมาแนี้สอนท่านกับพิเจานาะเรื่องต่างๆของท่านที่เคยเป็นกษัตริย์มาปกติพกกิเจณาแล้วอดเรื่อมไสศรัทธากับท่านเมยละพอระยะท่านออกบวชพออายุยังยู่สิบเก้าปีกำลังเห่อกำลังหลงกําลังเพิดกาลังเพลิน เ, เ, เรื่องตายของท่านก็ไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียบเดเบียนเท่าไหรยิ่งเป็นกษัตริย์ ติดข้องในสมบัติต่างๆมีภาระหน้าที่มากอยู่เหมือนกันไม่ใช่น้อยแต่อำนาจสติอนาจปัญญาของท่านพอเห็นคนแก่นาะมาภายในเราต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกันกบเขาถ้าไม่ตายนม่อะไรมันจะต้องแก่ไปพ่อแน่ปู่ยา่าตาทวดพี่ของเราเป็นอย่างไรเราจะเป็นอย่างนั้น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 บังคับคนอื่นก็ไม่ได้บังคับตัวเองก็ไม่ได้จะมาลุ่มหลงเผลอเชิงอยู่ทําไมแก่แล้วยังไหนแล้วยังเอาเก็บมันให้ทานเรียบไข้ถึงจะนีหยกยาหรือเป็นหมอรักษาขนาดไหนก็ยังมีจะเอาชนะการป่วยไข้เจนไปไม่ได้ทุกไลน์ไปก็จะต้มีการป่วยไข้เมื่อป่วยไข้เข้าขวอเงินทองสมบัติทัศาฐานมากน้อยขนาดไหน ช่ได้ไหมมีความสุขไหมในสมบัติแบบนั้นจะนอนสถานที่ดีเด่นขนาดไห น, นมันก็ไม่สุขไม่สบายให้จะนั่งอะไรมันก็ไม่สบายนอนอบายืนถ้าหนักเข่าก็ไม่ได้นั่นงก็ยังไม่ได้แขนขาจะยกขึ้นก็ไม่ได้นี่เจือปว่วยน่ะมันลําบากเราอะไรมาช่วยได้เอาเงินเอาทอ ง, อ, าองเอาขอาของมาให่มันมีความสุขความสบายไหม มันสุกไปได้สบายไเน็นเพราะมันป่วยมีจิตที่ยังไม่มีอาจมีทำมันเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเหงหันกลัวเรื่องตัวจะตายเพราะไม่สาบว่าตายไปนี้จะไปเกิดเป็นอะไรมเมื่แอบด้ในสราบว่ า, าจะไปที่ไหนกลัววาตายใหญ่โตเด่นลนกระวนกระวายวิ่นฮะ แค่หาหมอมารักษาอยากจะเห้กายของตัวหายจากโรคไข้ไข้เจ็บแต่ถ้าหากโรคความจำที่เคยทำไว้มันก็ไม่มีหายหรือถึงหายเรื่องโรคของกายหายโรคนี้จะมีโรคใหม่ไม่อย่างนั้นมันก็ไมาถึงตายพระพุทธเ จ, จา้าสมัยเป็นโยมเป็นฆราวาสข่านนามาที่นิธพิจรารณาเรื่องการป่วยไข้ต่างๆข่านจึงสลดต้องเหตุ เบื่อในจิตในใจยิ่งไปเห็นคนตายเข้ากวยิ่งไปใหญ่การพี่จะน่าความแฉะความเจ็บความตายของพระพุทธเจ้าทําใจให้สงบได้ไม่เพิดเชิญไม่มัวเมาไม่ติดข้องกว่เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนสมมุติต่างหาความเป็นจริงเหมือนกันหมดราษฎรก็ทลายชาแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีอะไรที่แปลกกันท่านรู้ท่านพอใจอย่างนั้นจะมาเพิดเชินทําไม หลงไหลทำไมอยู่อย่างนี้ก็มีนาทีคิดอ่านดูแลรักษาไข้ฟ้าประชาชนมาอย่างนั้นกว่าดูแลเขาไม่ถวดถึงเขาก็จะตั้มีนว่าเป็นผู้ลากผู้ใหญ่ไม่เอาใจใส่ปกค้องหลากระดอเราอยู่ในสถานที่นี้ในกลางสารลาศวรไม่มีโอกาสเวลาที่จะภาวนาให้รู้ให้ถอาใจทางหนีจากทุกข์ได้เราควรอย่างยิ่ง ที่จัหนี้ไปโดยไม่อาลาใครออกผนวชีนเรื่องของท่านคิดอย่างนั้นท่านจึงหนีไปเมื่อ น, นี้ไปก็เอาใจใส่ถึกอบรมตัวเองด้วยวิธีต่างๆจนได้ตัดสู้พระพุทธเจ้าท่านทําจริงใน่ได้ทเล่นท่านจึงเยันสาสดามาสอนพวกเราพวกเราเพียงเดินตามถนนที่ท่านวางเอาไว้ทําเอาไว้ ทำไมจะไปไหนได้ไปไหนถึงทำอันอื่นทำได้เรียนอันอื่นเรียนจบมางานอันอื่นเคยทํามาจนมีชืเสียงเสียงนามใครเขาก็ทราบว่าเราเป็นคนดีแต่จะมารักษาใจของตัวให้หายจากชั่วให้เป็นผููดีในตัวมีสงบระงับมีปัญญาละถอนที่เหลืเราจะรักษาไม่ได้เทยวหรือเราจะทําไม่ได้เทยวหรือสอนตัวคล่องตัว หม่มัพยายามติดตามอยู่สม่ำเสมอสติปัญญาในลดละความเพียนในทอดถอยพยายามจะข้ามเรื่ององาิเลรียดปัญหาจะเอาชนะเรื่องโลภโกรธหลงสม่ำเส ม, สมอไปใจในนี้โอกาสไปเกี่ยวข้องวุ่นวายใจในนีเวลาจะไปทำงานภายนอกเพราะนักบวชที่ประเทธปฏิบัติอย่างนั้นมันสะดวกมันสบายการขบฉัน อยู่จีนก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นเขาจะยังดูนุ่งห่มก็เป็นเรื่องหน้าที่ของคนอื่นที่ต้องการบุญเขาจะหามาให้ที่อยู่ที่อาศัยถ้าหากเราเนี่ยต้องการใหญ่โตเขาเลื่อมใสฝูงกระเพ็ดดีปฏิบัติชอไปอยู่สถานที่ใดยินดีแตนมใจจะสร้างให้แต่ระวังใจมันมักใหญ่ไฟสูงมันไม่มีเรื่องเมืองพอขนาดนี้ยังจะได้ขนาดนั้นมันก็ไม่มีวันมีเวลาจำเป็น ต้องเล็งแว้หานึกสร้างเองอยุ่งเยอะไม่มีโอกาสลับฟุ่งทางจิตใจของตัวใส่ดีดีเถอะถ้าหากเราคิดสอนตัวของเราชีวิตของนักบวชเป็นอยู่เดืคนอื่นทำตัวให้เลี่ยงง่ายในวุ่นวายเกี่ยวข้องกับอะไรใจเแียสำละกี่เลตปัญหาออกจากใจมันสบายแสนสบาย สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของเสลี่ยดความผุ่งฟูงของใจมากใหญ่ใส่สูงแต่ก็ไม่ได้อะไรคิดไปก็ยิ่งเป็นทุกข์คิดไปก็ยิ่งกังวลเป็นเรื่องหลอกลวงวิ่งตามเงาไม่มีเะลาจะทันมันพอเราวิ่งเงามันก็วิ่งตามอดูอย่างนั้นพยายามสอนใจของตัวพยายามปรับปรุงตัวของตัวให้เป็นช้าให้เป็นเน้นให้เป็นสมณะให้เป็นผูกและเสริฐธ ร, รมามะ ประเสริประเสริฐอย่างไรคือเขาลุ่มเขาหลงเขาติดเ้าข้องเขาเดือดร้อนวุ่นวายแต่พระอันแค่จริงไม่เป็นอย่างนั้นท่านอยู่สบายกินอะไรทานอะไรฉันอะไรก็รพออยู่ได้หนุ่งห่มอะไรก็รพอนุ่งห่มได้ใน ม, มากใหญ่ใส่สูงจิตใจเยือกเย็นจิตใจเป็นธรรม ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องให้จิตใจเศร้าหมองให้จิตใจขุ่นมัวให้จิตใจเร่าร้อนนี่คือพระประเสิดเขาจิตท่องเราไม่จิตท่องเขาหลุมหลงเราไม่หลุมหลงเขาเดือดร้อนเราไม่รุมเดือดร้อนตามเขาจริงหรียเกล่าประเสิดประเสริฐกว่าเขาเราจึงตาบ้าจึงบูชาสมัยนนีะ้คือสงบ สามเณมของเหล่าคอของสมณะผู้หาความสงบผู้แสวงความสงบความสงบอย่าไปคิดไปมากมาจากจากตัวของตัวมีอยู่ในตัวของตัวเท่านั้นถ้าตัวไม่สงบก็อยู่ที่ไหนก็ไปเถอะในป่าลึกขนาดไหนทำดีขนาดไหนใจก็ยังฟุ่งยังซุงอยู่คนเดียวก็เป็นทันทันทัพพ่อเพื่อนฟุ้งอยู่ในถ้ำในเขาไม่ไไปที่ไหนก็เชี่ยวทั่วไปรอบโลก นี่เชื่อใจในหน่อมีอาจมีธรรมใจในหน่มีสติใจในหน่อมีปัญญาข้าเป็นสมณะภายในมันไขคิดติดตามเรื่องของตัวอยู่สม่ำเสมอพิจา ร, รอจาอยู่ในวงของธรรมะเม่ปล่อยจิตคิดรงเรื่องนอกค่อยสงบไปสงบไปใจสงบสงบรรับความสบายความสบายเกิดจากความสงบความสุขเกิดจากความสงบ เรื่องข้องใจทุกคนมี ใ, นใจ่ไหมว่ามีแต่แกชาวพุทธแท้าหรือสาวกพวกเราทุกคนมีความปรุงปรุงคิดอ่านต่างๆ่างตัวขอตัวเองเคยตำหนิตัวเองอยู่บอ่อดเพราะเรื่องไม่ดีมันมีขึ้นเคยเด็ดสรรเสิญตัวเองได้ชมช่ยตัวเองว่าดีแล้วว่าเสริญแล้วเพราจิตสงบเพจิตละถอนมีไหมใครยังไม่มีรีบสร้างหน้าต่างตาต่อเพื่อปฏิบัติไม่เหลือวิสัย ทำของพระพุทธเจ้าสอนคนไม่ใ่สอนผัสอื่นพระพุทธเจ้าก็เป็นคนที่ฝึกฝนตัวของทันละทั่วมุมเพนดียิเศเศระเสริฐเราก็คนหนึ่งซึ่งเป็นนักปฏิบัติควรจะปฏิบัติฝึกหัดตัวข้องตัวอย่าไปนอนใจตายใจว่าบวนแล้วก็ประเสริฐแล้วเข้ามาวันแล้วก็จะสงบเองจิตเรียดจะวิ่งหนีเองจะไปคิดอย่างนั้น โอกาสที่มาอยู่วัดอยู่ถ้ำอยู่เขาอยู่ป่าที่สงบสงัดก็หมายที่ว่าจิตใจของเราถ้ามันติดข้องเรื่องต่างๆมากหนูกว่ได้ยินตากว่าได้เห็นมันฟุ้งมันปลุงมันคิดมันอ่านระวางรักษายากเพราะสติของเราปัญญาของเรายังไม่กล้ายังไม่แข็งพอฉะนั้นถ่านจ้ยินสอนถ้หาสถานที่วิเนศ ส, สงบสงัดเพื่อจะได้ปฏิบัติ ทากับเหตุการณ์คิดอ่านอะไรจะได้แก้ไขเรื่องชั่วกลับปรงุงเรื่องดีใส่เทคโนโยีคูณขึ้นสถานที่ยึ่งเป็นเรื่องสำคัญอำนวยความสะดวกให้อย่างหนึ่งพระพุดดทธเจ้ายิ่งสอนว่าเป็นสบายยะในกลุ่มวพื่อปฏิบัติถ้าเลยสอนสมชีสมหาไปที่สถานที่ใดก็ไปฝึกหัดดัดใจเถอะไม่อยากไม่ลําบากตางกดในตลาดภาวนาหา หมูดูไก่อยู่นะอย่างนั้นมันจะเต้นไปได้หรือจิตใจขันที่มสอนไล่เขาในป่าไปเถอะลุกขมูลและเสนาสนาั่งหมายถึงไล่เขาป่าหาพรนาแก่กิเลสตันหาของตัวแต่เมื่อไปอยู่ในป่าเลต้องตั้งหน้าจะ ท, ำำทําบําเพ็ญเราเลึกเลิกถึงพระพุทธเ จ, จ้าหรือสาวกที่เคยปฏิบัติมาไม่ใช่ง่ายสะดวกสบายทุกท่านไปบางท่านบางองค์เดินตงกล่มจนเท้า ัาแตกอดตาหลับขับตานอนไม่ยอมทักผ่อนจนตาแตกกว่ามีเกี่ยความดีท่านทนาำแทบลาบากขนาดนั้นเราขนาดไหนจึงไปทอดผอยว่าเรานี้่บาดขหาน้อยไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้บอเพราะเราทํายังไม่ถึงเแต่เราทําถึงมันจะเหลือวิสัยไปที่ไหนคนที่ได้ความสุขจึงอาจจึงทำจริงจังเป็นพระเป็นที่มันกระเซอใครจะมากราบไหว้ สักกะ บ, บูชาก่อตามใครจะต้องหนี่เทียนสิฉิม น, นินทานั่วโลกก่อตามจิตใจไม่หวั่นไหวจิตใจในเอ็นเอียงจิตใจไม่หลงลืมในความมีความวิเศษของตัวนั่นเป็นลมปากของเขาไม่ตดได้แต่คุกเ ง, งาเหมือนแต่ก่อนมันแสนปลุกมันแสนสบายในห่วงไม่ห่วงอะไรกระทั่งถึงร่างกายของตัวพอได้พิจารณาแยบทาย ชาติเพียนแล้วสิ่งที่เราต้องการทีรพท่พระพุทธเจ้าแนะนำพระพุทธเจ้าพบหรือสาวกพบเป็นอย่างไรไปรจากในใจไม่ต้องไปต่ปตาถามใครความสุขความส ง, งบความหลุดพ้นเป็นอย่างไรไปรจากอยู่แล้วอยู่กอดตามตายกอต า, ามมีคุณค่าเสมอกันเพราะเหตุใดเพราะไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นจะเสียไปสิ่งที่เราต้องการรู้เห็นเด่นชัดแล้วไม่มีอะไรเสียใจ มันสะดวกมันสบายได้เป็นพระจากกา้าจักรพรรดิราชก็ไม่ประเสริฐวิเศษเท่ากับจิตที่หมดที่เหลือปัญหาเพิ่งที่นี้พี่จ้านาคพึ่งสอนใจของตัวและ่วบบำเพ็ญดีให้เป็นพระให้เป็นเนรให้เป็นนักปฏิบัติอย่าเป็นแต่เพียงเทศเท่านั้นซึ่งไม่เป็นของลำบากยากเย็นใครทำเอาก็ได้ให้ใจมันเต็นไปด้วย ใจจะเป็นไปเพราะอาศัยศีลสมาธิปัญญาจึงจะเกิดนิพพานมุิถ้าหากเดินตีออกจากทางของศีลสมาธิปัญญาก็ไม่มีเวลาที่จะประสบพบเห็นความเยเือกเย็นความขนทุกข์งดแต่นั้นพวกเราท่านทีนมีโอกาสเวลามาปฏิบัติจะเป็นขรือหัดปึ๊บคิดสู่สามเมรเนนกวต า, ามซึงที่น้ที่ใจนฝึกสอนจิตใจทองตนมัน กำหนดสติมีปัญญาพิจารณาภายในครับไล่ทําปูงจิตติดข้องต่างๆให้ตกออกไปให้จิตของเราติดอยู่ในอัดในธรรมธรรสอนของพระเจ้าเพื่อความสงบและให้มีปัญญาพิจารณาทางอัดธรรมเพื่อละถอนสิเลสอย่าพิจารณาไปในทางสิเลสปัญหาจะทําใจให้วุ่นวายยุ่งเหยิงต่อไปฉะนั้นเมื่อพวกทฉัน ได้ระดับรับฟังโอวาทที่ได้ที่บายมาขอโจงนําไป f ิ n i s h แกนากำหนดรักษาจิตของตนด้วยสติปัญญาก็จะมีแต่ความสงบสุขถึงถึงความมุ่งหวังของตนการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเพราะยุติเสียงใส่ยุ่เกีวบัง